fm 89.5 MHz มสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Innovation for Life ค่ะพบกับดิฉันคนุณกระนิจทองเนาเช่นเคยนะคะทุกค่นคืนวันสาวแบบนี้กับ Innovation for Life ซึ่งเราก็จะมาพร้อมกับผลงานวิจัยนวัต ก, กรรมและก็สิ่งประดิษฐ์ต่างๆในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันเราไปไกลกันหน่อยนะคะไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไปทาความรู้จักกับเครื่อง ปอกเปลือกไข่นกกระทาซึ่งเครื่องนี้ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นโดยอาจารย์สองท่านคืออาจารย์จรันธรรมใจแล้วก็อาจารย์ทวิชาติยานิเศษค่ะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมคณะครุศสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเราจะทําความรู้จักเครื่องปอกเปลือกไข่นกกระทาในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ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 รายการ Innovation for Life ค่ะ Innovation for Life ในวันนี้ค่ะเราจะ แนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับเครื่องปอกเปลือกไข่นกกระทาซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของอาจารย์สองท่านด้วยกันค่ะนั่นก็คืออาจารย์เทวีชาเบนวิเศษและอาจารย์เจรันธรรมใจซึ่งทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจุกรรมอุตสาหการคณะครุศาสร์อุตสากรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายทั้งสองท่านแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับ ค่ะวันนี้มีอาจารย์พูดคุยสองท่านเลยใช่ไหมคะทั้งอาจารย์ทวิชาตแล้วก็อาจารย์จารันวันนี้มีเฉพาะผมครับอาจารย์จารันครับพอดีอาจารย์ทวิชาตันจิตภารกิจครับผมอ๋อค่ะค่ะขออภัยค่ะก็วันนี้ก็แต่ว่าเครื่องปอกเปลือกไข่เนื้อปลา this เป็นการคิดค้นทั้งอาจารย์ทวิชาตและก็อาจารย์จรันใช่ไหมคะสท่านเลยครับผมใช่ครับ ค่ะโดยครับค่ะแต่วันนี้ผู้ที่มาให้ข้อมูลและก็มาพูดคุยเป็นแขกรับเชิญในรายการคืออาจารย์จรันธรรมใจนะคะอาจารย์คะก่อนอื่นที่จะพูดคุยกันว่าเครื่องปอกเปลือกไขน่นกกระทานี้มันมีการปผลิษ์คิดคนและก็มีกระบวนการผลิตอย่างไรคําถามแรกเลยก็ต้องขออนุ ญ, ญาตเรียนถามทุกๆคําถามที่สัมภาษณ์ทุกท่านนะคะว่า ไอเดียรหรือว่าแรงบันดาลใจเนี่ยอในการที่อาจารย์เริ่มต้นในการคิดคนเครื่องต่อเปลือกไข่ล้วก็ทาขึ้นมานี่คืออะไระคะอาจารย์คะอ๋อครับก็เริ่มต้นนะครับก็เริ่มต้นจากเดิมที่เอตอนที่จะคิดเครื่องนี้นะครับก็เอได้อาจารย์นะครับที่เป็นอาจารย์จากจากอีกคณะหนึ่งนะครับ mm hmm. ท่านไปไปช่วยงานอยู่ที่ชุมชนในนิจุ่ลของวิสาหกิจก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ ไปท่านไปช่วยงานอื่นแต่ทางชุมชนเนี่ยขอให้ช่วยขอให้ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมเครื่องประกอบไข่นกกระทาซึ่งเขามีแล้วหึงเครื่องนะครับแล้วเขาก็ไปซื้อมาไ ม, ไม่แน่ใจว่านําเข้าจากประเทศจีนหรือเปล่านะครับเครื่องนี้เขาซื้อมาแสนกว่บาทนะครับแล้วเขาก็เอามาให้ให้ซ่อมก็คือโดยเดิมมันเป็นของน้ําตกตกไข่นะครับแล้วก็มีตัวตัวตัวเด๋าเต๋าไข่ ซึ่งผมก็ซ่อมไปซ่อมไปสองคนอาจารย์ทวิชาติก็รู้สึกว่าเอ๊ะเครื่องนี้มันมันยังมีมีอ่ามีไข่ที่มันเสียที่มันแตกจากการใจเครื่องนี้บ่อเนยังค่อนข้างมีเจ็ประมาณสัก 15-20 เอร์เซ็นตนะครับก็เลยรเลยเราคิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันลดไข่ที่มันเสียน้อยลงได้ก็ามาหาวิธีทำมา าว่าแก้ไขเลาด้เราเรน้าจะทำเครื่อเนนงเอสงงกยังดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือโจทยวที่มาในใจค่ะก็คืออาจารย์ได้จทจากชุมชนก็คือเรื่องอเรียก ง, ง่ายๆว่าในชุมชนเนี่ยมีเครื่องปอกเปลือกไข่นกกระทาอยู่ละวล่ะใช่ไหมคะอาจารย์ครับใช่เราเป็นเสีย แล้วก็ ใ, ให้ลูกคนให้จันช่วยช่วยไปซ่อมให้ทีนี้พอ<ช>จันไปซ่อมก็เลยได้ไอเดียในการมามาประดิษฐ์เครื่องเองซะเลยทีนี้ขอสอบถามหน่อยนะคะจันแสดงว่าในในชุมชนที่อาจารย์ก็คือประกอบอาชีพที่ไปดูแลนะคะที่ก็คือประกอบอาชีพเกี่ยวกับ อ, อทําไข่ลูกกระทานี่แหละจาหน่ายถูกไหมคะจันแล้วก็มีการซือเครื่องมาปอกแสดงว่าเครื่องที่มาปอกนี้เรียกว่าเป็น เป็นเป็นเครื่องนําเข้าหรือว่าประดิษฐ์ขึ้นเองหรือว่ามันมีบริษัทจาหน่ายโดยทั่วไปอะค่ะอาจารย์อันนี้สอบถามมาค่ะเขานําเข้าครับเขาบอกว่านําเข้ามาจากประเทศอินดีครับเป็นเครื่องสั่งสั่งนําเข้ามาครับค่ะแล้วแล้วราคาสูงประมาณแสนกว่าบาทที่จีตับมาโ้สัางผู้ซื้อบ้าประมาณแสนกว่าบาทครับค่ะ แต่ว่ามันก็นก็ก็เรียกว่าก็ก็มีปัญหา ก, ก็เหมือนการใช้งานซึ่งจากคนทั่วไปนั่นแหละใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้พออาจารย์ได้ไอเดียเนี่ยมาประดิษฐ์เครื่องปอกเปลือกไข่นกกระทาเนี่ยค่ะ อ, อ, อยากให้อาจารย์รได้ได้พูดถึงกระบวนการการประดิษฐ์คิดค้นนะคะว่ามีอาจารย์มีกระบวนการหรือว่าเริ่มต้นจากตรงไหนอะค่ะก็คือหลักจริงยหลักการของของเขาเนี่ยเราก็ก็ อ, อ้าอิงมาจากหลักการเดิมแต่ว่าหลักการหลักการที่ที่เราไม่เหมือนเขาก็คือเราเอาไอ้ตัวที่เป็นตัวฟองน้ําที่เป็นตัวกดไข่กดไข่ไข่นกนะครับเพื่อที่จะให้มั น, ใ, ใ, หมนให้มันแตกแล้วก็อ่าเปลือกของมันเนี่ยมันก็ก็แตกใช่ไหมครับแล้วมันก็จะวิ่งผ่านสานเตายางที่จะดึงจิกชั่นดึงให้เนื้อให้ให้เปลือกไข่มันลุก ทีนี่ของเราเนี่ยเราเราแค่เปลี่ยนว่าเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมองศาในการลําเลียงไข่นกอะไรอย่างเนี้ยครับซึ่งการกระทอไข่นกเราจะทําจากข้างนอกครับเราจะทำจากข้างนอ ก, ก, นอกให้มันให้มันไข่มันร้าวก่อนให้เปือดไข่ที่ต้มเสร็จร้าวเสร็จแล้วก็เราก็เอามาใส่ในรางของเราแล้วก็มันก็จะมีตัวลําเลียงเป็นเกลียวเป็นสไปร์ลนําลําลเลียงแล้วก็ไสน้ําปล่อยของเขาก็มีน้ําแต่ว่าของเราก็อ่ย ให้น้ำเพิ่มความความเหนียวให้กับยางที่เป็นตัวดึงเกียบไข่ครับครับก็คือหลักการคล้ายๆของเรือแต่เราเอาตัวตบออกเพราะตัวตบนี้มันทำให้เกิดไข่เสียเยอะครับผมค่ะอาจารย์ขาทีนี้ขอสอบถามนิดนึงในส่วนของการจำหน่ายเนี่ยค่ะก็คือครับ เรียว่าผู้ประกอบการแล้วกันนะคะหรือว่ากลุ่มชุมชนเนี่ยเขาเขาก็เลี้ยงเลี้ยงนกกระทาถูกไหมคะแล้วก็มีไข่ทีนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นไขน่นกกระทาส่วนใหญ่เขาจําหน่ายแบบว่าต้มแล้วแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็ถึงจะขายได้อย่างนี้เหรอคะหรือว่ามีทั้งสองแบบคือขายแบบดิบๆเลยอันไหนได้ได้ราคาเดียวกันนะคะอาจารย์อ๋อคือคือผู้ประกอบการเจ้านี้เขาเขาก็คือรับซื้อด้วยแล้วก็เลี้ยงเองด้วยครับ คื อ, อ, อ, อเป้าหมายของเขาก็คือส่งเป็นไข่เลยครับวันหนึ่งก็ประมาณสามหมื่นฟองครับที่เขาทาอยู่แต่ว่าเขาก็มีออเดอร์เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเขาไม่กล้ารับเพราะว่ามันเขาดํานันการผลิตเขาเขาทำไม่ได้เขากลัวว่าส่งให้ลูกค้าไม่ทันเขาก็เลยไม่รับครับจริงๆเขามีออเดอร์เยอะกวันนี้ครับตอนนี้ครับอืออค่ะวันีก็ก็ถามเป็นความรู้นะคะเวลาเขาจําหน่ายไข่ราชาการส่วนใหญ่จะจะจําหน่ายแบบว่า ต้มตอก เ, เสร็จแล้วหรือว่าอปรับจําหน่ายแบบใครดิจิตเราอันไหนได้ราคาเหมาะออ ก, กันอะไรอย่างเงี้ยอยากได้<อ>เหอกนะันต้มตอเสร็จจะได้ ร, ราคาดีกว่าครับครับแล้วก็ก็จะมีแพ็คแล้วก็มีเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นมีโลโก้ของเขานะครับเขามีแพ็คใส่ถึงอะไรเล็กน้อยแล้วก็ก็ถือว่าเป็นไม่ว่าเป็นเป็นบริษัทที่อ๋อค่ะครับก็ถือว่าเป็นเป็นบริษัท วิสาหกิจที่ค่อนข้างใหญ่เพราะอาจารย์บอกว่าในอ ใ, ในการการออเดอร์แต่ละครั้งเนี่ยก็เป็นสามสี่หมื่นฟองถูกไหมคะเยอะครับค่อนข้างเ<ช>ยอะแต่ก็มีชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการึิสาหกิจที่ค่อนข้างที่จะเป็นรายเล็กๆย่อย ล, ลงมาอันนี้ใช้มือปอกหรือใช้เครื่องเหมือนกันคะอาจารย์เออเขาก็เริ่ม อ, อยากจะใช้เครื่องแล้วเหมือนกันครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะใช้มือปอก เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําเป็นธุรกิจเนี่ยเครื่องต้นทุนมันสูงครับต้นทุนสูงเท่านี้เท่านี้เอที่ผมทําที่ผมผลิตก็มีมีมีมีติดต่อมาบ้างอครับก็มีจากมี่จากอยุธยามีจากคฟิตรีที่สนใจแล้วก็อยากจะเอาแบบประมาณห้าพันกองตอวันอะไรเนี้ยครับก็มีติดต่อมาแด้บ้างครับคุะาอาจารย์ครับเรออกแบบยอส่อนครับ ค่ะอาจารย์พอจะบอกให้เราได้แบบเหมือนคิดภาพตามได้ไหมคะว่าเครื่องตอกเปือกไข่นกกระาของอาจารย์นเนี่ยคะ่ะ อ, อมันมีกระบวนการการผลิตอย่างไรเช่นประกรอบด้วยตัวไหนบ้างนะคะใช้มอนิเตอร์ใช้วัสดุอะไรบ้างแบบทํานองเนี้ยอก็ของของของผมที่ทําอยู่ก็จะใช้สเตนเลสคือเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับอาหารนะครับแล้วก็มีมอเตอร์มอเตอร์ก็ไม่ใหญ่ นะครับแล้วก็มีตัวยางยางที่จะไปห่ออยู่ที่เปล่าสําหรับดึงเกล็ดไขนะครับแล้วก็จะมีตัวเกลียวตรงนี้ต้องเป็นฟุตเต็ดหน่อยนะครับแล้วก็มีพวกตัวอย่างไรพวกนี้ยเพื่อให้เปล่ามันหมุนแล้วก็ดึงไข่นะครับแล้วก็มีท่อเต็นน้ำเราอาจะต่อน้ําจากก๊อกน้ําก็ได้นะครับน้ําที่ส ะ, ะครับแล้วก็เจาะรูแล้วก็ให้น้ำมัน ให้น้ำมันโซรเพื่อที่จะไปเครื่องความหนืดให้กับยางเพื่อที่จะดูงจะไข่นกนะครับมันก็นะะมนไม่ได้ยากมากครัแต่ว่ามันอาจจะอาจจะเป็นเทคนิคก็คืออยู่ที่ตัวมุมตัวอะไรมากกว่าเพราะว่าความเร็วอะไรพวกนี้ยมันจะมีผลเหมือนเคยครับความเร็วในการโองค่ะครับค <Okay. S 2> ่ะแล้วที่อาจารย์ได<น>้ค<ท>่ะแล้วเครื่องนี้ได้ผ่านการทดสอบหรือทดลองแล้วหรื อ, อยังคะหรือว่านําไปใช้จริงแล้ว ทดลองแล้วครับทดลองแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการปรับเพื่อที่จะส่งมอบให้กับวิสาหกิจเพราะว่าเขาต้องการเตือครับเพราะว่าตอนนี้เราเราใช้แล้วแล้วเราพ บ, บว่า อ, อ, อาจจะเพิ่มได้เพิ่มความเร็วได้อีกหรือลดจํานวนไขที่เสียลงได้อีกอย่างเนี้เราก็มาปรับนิดหน่อยครับอันนี้ก็คือเราส่งมอบให้ชุมชนให้กับวิสาหกิจครับผม ค่ะอาจารย์ค่ะถ้าเทียบระหว่างคุณสมบัติของเครื่องปอกเปลือกไข่นกกระทาที่อาจรพัฒนาขึ้นกับเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ใช้อยู่เนี่ยค่ะมันมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรคะความความเหมือนหรือแตกต่างความเหมือนก็คือเหมือนเด็นลูกดีดีมีเปล่าดินจากไขลนกเหมือนเดิมแต่ความต่างความต่างคือเอ่อเมื่อใช้เครื่องนี้แล้วเนี่ย เราใช้เรื่องนี้แล้วไข่นกที่มันเสียลดลงนะครับไข่นกที่เสียลดลงแล้วก็ออีกอย่างหนึ่งก็คือําปริมาณการผลิตต่อชั่วโมงเนี่ยจะเยอะกว่าเป็นแบบสองเท่านะครับเพราเราใช้แบบสองเท่าเลยสองช่องเลยแต่ว่าที่คุณเคนอยากให้ปรับเนี่ยมันสามารถทําได้สี่ช่องเพราะว่าไข่นกหมุนไปประมาณสักสองรอบครึ่งเนี่ยมันปอกหมดแล้วอันนี้เราต้องทำช่องให้ไข่มันลงเพงิ่มที่ที่ผมจะทํานะครับ แล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอเวลาที่เราเราปอกเหลือกแล้วเนี่ยมันจะสะอาดในรอบเดียวเลยอันนี้แต่อันนู้นเนี่ยอาจจะตักสองสามรอบต้องอันที่ปอกไม่หมดก็ต้องเอามาเทใหม่อะไรอย่างเนี้ยครับของของเครื่องที่ผลิตเนี่ยที่ผมทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะหมดในรอบเดียวเลยนะครับแล้วก็เหลือกไข่นกที่มันหลุดออกเนี่ยมันจะไม่ไปตกค้างอยู่ข้างในแล้วก็มันจะไม่มันทำความสะอาดง่ายครับ ครับผมของการผลานง่ายกว่าแต่ที่สําคัญที่สําคัญก็คือปริมาณนี่ก็ก็ได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันผลผลิตสูงใช่ไหมคะอาจารย์และที่สําคัญ ค, คือต้อ น, น, นต้ทุนต่าแน่นอนใช่ครับถ้าพันรองต่อชั่วโมงได้ครับห้าพันหกพันฟองค่ะแล้วตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าได้มีกระบวนการกําลังปรับพัฒนาให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่เชิงพาณิชย์ไหมคะ คิดแรกจะเข้าครับเพราะว่าเพราะว่ามันสามารถผมจะทําแบบย่อส่วนก็คือจะปรับให้เข้ากับผู้ใช้ก็คือถ้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือใครต้องการที่จะซื้อเนี่ยผมก็อาจจะสามารถทํากับผลิตเสื้อเสแขนหนายได้แต่ว่าผมอาจจะทําในรูปของอทําบริการวิชาการเพื่อต่อให้เกิดรายได้มากกว่าเสืจะทําทําขายอันนี้ผมก็กําลังคิดอยู่เหมือนกันครับผมว่าจะทําแบบคหน โอเคค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์สรุปอีกสักครั้งนึงนะคะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักๆที่อาจารย์ได้พัฒนาเครื่องปอกเปลือกไข่หรือกระทาขึ้นรวมถึงความคาดหวังของอาจารย์กับผลงานชิ้นนี้ด้วยค่ะครับก็วัตถุประสงค์จริงที่ต้องการที่จะพัฒนาก็คือก็คือสามารถผมต้องการที่จะให้กลุ่มชุมชนกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มภาคบริษัทนะครับที่ผลิตไข่นกแนกนะครับสามารถนําเครื่องเนี้ไปใช้งานได้ แล้วก็ผมอยากให้เข้าถึงในราคาต้นทุนที่ไม่สูงเกินไปนะครับโดยเฉพาะกลุ่มชุมชนกลุ่มอะไรเงี้ยเพราะว่าเราพยายามที่จะพัฒนาแล้วให้มันทํางานง่ายด้วยนะครับเพื่อที่จะให้กลุ่มชุมชนที่ใช้ที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชาวบ้านเนี่ยเขาใช้งานได้ง่ายเฉดี่ยนะครับเขาะจะได้ในใไม่ไม่ทำให้ายากเกินไปนะครับแล้วก็ในอนาคตเพื่อว่าจะมีการพัฒนานะครับสําหรับอาจจะเป็นสายใจอะไรเงี้ยครับก็มีที่ติดต่อ มาเหมือนกันว่าอยากจะให้ลงปรับเปลีจากไข่นกปิ้งไก่ไก่ดูบ้างอะไรอย่างนี้ครับอืมข้าวโอ๊ยจะต่อยอดขายปลาครับผมค่ะค่ะก็เป็นเครื่องปอกเปลือกไข่นกกระทานะคะต้องบอกว่าเป็นต้นทุนต่ํานะคะผลผลิตสูงสามารถที่จะชนชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อ่าแล้วก็ใช้งานง่ายใช่ไหมคะเครื่องปอกเปลือกไข่นกกระทาที่อาจารยในพัชนาขึ้นค่ะ นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ทั้งสองคนในตอนนี้แล้วมีข้อสงสัยหรือข้อคําถามจะสอบถามเพิ่มเติมหรือติดต่ออไปที่ไหนอย่างไรคะถ้าอยากจะรู้จักหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปอดเปลือกไข่ดะกะท่หรือไม่กระทั่งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะครับก็ถ้าถ้าจะมาติดต่อที่คณะนะครับก็มาที่คณะคณิตศาสตร์วิทยาการและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรสาควิทยาศาสตร์สงขาได้ นะครับหรือจะติดต่อผ่านมือถือโทรศัพท์มือดืผม0 8 9 6 5 8 0 4 7 4, 4นะครับหรือจะเป็นของอาจารย์ทวีชาติงวิเศษนะครับก็จะเป็น0897391314นะครับได้ได้2สองท่านเลยครับินดีดดครับผม ค่ะวันนี้ครบเชวนพัชเชนนะคะกับเครื่องปอกเปลือกไก่นกกระ า, าต้นชนสามผลผลิตสูงซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์จารานธรรมัจและขวาขอบคุณอาจารย์เทวิชาติยวิเศษด้วยนะคะขอบคุณทั้งสองท่าน<อ>เลยที่ประดิษฐ์คิดค้นพัฒนา นวัตกรรมที่ช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนน่ยนะคะเพื่อที่จะได้มีรายได้อย่างยั่งยืนขอบคุณแล้วก็จะติดตามผลงานอาจารย์ต่อไปด้วยวันนี้เวลาของทางรายการ Innovation for Life ก็หมดลงล้ค่ะดิฉันกรุณีขวานนท์พร้อมด้วยอาจารย์จรันธรรมจัยซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจกรรมวิสาหกรรมคณะครุศาสตร์ุตสากรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก็ต้องราคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาสิ้นสุดนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 คิดถึงที่ไร ก, ก็เพ้อก็เลยรักจนหมดหัวใจเป็นตายยังไงก็ต้องมีเธอเฝ้าแอบฝันไปไกลถึงไหนว่าเธอมีใจไม่เสมอแต่ในความจริงมันจะเป็นได้ไหม เธอรักฉันได้ไหมถ้าเธอยังไม่รักใครอยากให้เธอเปิดใจให้กันขอสัญญาด้วยชีวิตฉันว่าจะมา 我จะ